การรักษาศีลอุโบสถนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ม, มีอนิสงฆ์มากมายเพราะว่าเป็นการเสียสลับความยินดีความยินร้ายความเพลิดเพลินมัวเมาในกิเลสรกรามวัตถุกรรมต่างๆ ก็จึงสามารถรักษาอุโบสถสินได้ถ้าจิตใจยังโฟพันอยู่ในกิเลสดังกล่าวว่ามานั่นน่ะก็จะรักษาอุโบสถสินไม่ได้เลยเพราะนั้นผู้รักษาอุโบสถสินนี่ก็ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจฟักไยในความสงบมุ่งหวังให้ได้รับความสงบทั้งกายทั้งวาจาทั้ง จ, จิตใจ ได้ความส ง, งบระ ง, งับทั้งตาหูจมู ก, กลิ้นกายใจตาก็ไม่ประสงค์ที่จะไปมองดู <c oughs> รูปสวยๆงามๆต่างๆเสียงก็ไม่ประสงค์ที่จะฟังเสียงอันไพเราะเพราะพิ้งกลิ่นก็ไม่ประสงค์ที่จะสูดกลิ่นอันหอมผนชวนชื่น รถก็ดีก็ไม่ประสงค์ที่จะไปติดอยู่ในรสชาติของอาหารต่างๆรับประทานอาหารก็แเทียงแต่ว่าประทางชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นร่างกายอันนี้ก็ไม่ต้องการสัมผัสอ่อนนุ่มนิ่มเช่นที่นอนผูกเบาหมอนอ่อนนุ่มนิ่มต่างๆมานี่ก็ไม่ปรารถนาะอ่า นอนในที่นอนที่ไม่ผิดจากพุทธบัญญัตินั้นเช่นที่นอนที่ไม่ได้ยัดด้วยนุ่นและสำลีและวิจิตงงามต่างๆเนี่ยยัดด้วยสิ่งอื่นนั้นไม่ห้ามทาง จ, จิตใจเมื่อได้เว้นจากความยินดียินร้ายต่างๆดังกล่าวมานี้แล้วใจของผู้นั้นกย็ยอม เป็นกลางอยู่ได้นี่แหละการรักษาอุโบสถคือพยายามรักษาใจเป็นกลางอยู่ชั่วระยะเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งผู้ใดทําใจได้อย่างว่านี่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าได้อานิสงฆ์มากการรักษาอุโบสถนี่เพราะว่าคนเรานี่แต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยที่จะรักษาใจของตนให้เป็นกลาง อยู่สม่ำเสมอไปได้ในมันยากเต็มทีเพราะว่ามันมีสิ่งมายั่วให้เกิดความยินดียินร้ายอยู่เสมอเล่นเสียแต่ผู้ใดที่ตั้งใจรักษาศีลอนับแต่ศีลอุโวสดไปและตลอดถึงศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดถ้าผู้รักษาศีลเหล่านี้จริงๆอง นั่นแหละถึงจะทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งได้ <c oughs> การพยายามทำจิตใจให้เป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ น, ะนี่แหละเป็นทางพ้นทุกข์ในพระพุทธศาสนานี้ให้พึ่งพากันเข้าใจอันบุคคลผู้ที่ไม่เข้าใจในหลักธรรมอย่างแน่นอนอย่างนี้เนะ่ะ ก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรสงสัยลังเลเออย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรสงสัยลังเลถ้าผู้ใดสมรวมจิตทําจิตของตนให้เป็นกลางอยู่ได้อย่างนี้เช่นอย่างว่าเมื่อเวลามีอารมณ์ที่น่ายินดีมากระทบเข้าก็ไม่หลงยินดีเพลิดเพลินไปตามเมื่ออารมณ์เมื่อเรื่องที่น่ายินร้าย มากระทบเข้าก็ไม่หลงยินร้ายไปตามอารมณ์นั่นนั่นเรื่องนั้นนันถ้าอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้มีใจเป็นกลางอยู่ได้ถ้าแบบที่ว่าเมื่อไม่มีเรื่องอะไรมากระทบใจจึงเป็นกลางอยู่ได้ขั้นเมื่อมีเรื่องต่างกระทบเข้ามาแล้วใจก็เอียงไปเอียงมาย่างนั้นไม่ถูกต้องไม่จัดว่าใจเป็นกลาง คำว่าทำใจเป็นกลางในทีน่นี้ในเวลาปกติก็ให้เป็นกลางอยู่อย่างนั้นในเวลามีเหตุอะไรกระทบกระทั่งมาก็รักษาความเป็นกลางให้ได้อย่าให้มันหวันไหวไปตามเหตุนั่นนั่นมีสติสมัมปชัญญะควบคุมจิตไว้ให้ได้นี่นะจึงเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามทางสายกลาง ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะอมัอันมีองค์แปดประการนั่นนะเมื่อตีความหมายลงไปแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติตามมัตมีองค์แปดประการนั่นนะมีใจเป็นกลางพร้อมด้วยปัญญาอืความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นในใจการที่จะทําใจเป็นกลางอยู่ได้ก็อาศัยปัญญาอย่างว่านั่นแหละ ใช้ปัญญาสอนใจไปสอนใจให้มันรู้สภาพของสิ่งทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นอยู่ในโลกอันนี้เนะี่ยในสำนวนธรรมะท่านเรียกว่าสังขารสังขารนี่แปลว่าสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมานี่มันก็จะมีอะไรเราลองสังเกตดูพิจารณาให้ดีสิ่งที่ ถูกกรงแต่งขึ้นมามันก็มีอยู่สองประเภทคือประเภทที่มีวิญญาณครองนั่นอีกประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งนั่นไม่มีวิญญาณครองคนและสัตว์เลี้ฉานต่างๆว่านี้ทันเดียวว่าสังขารที่มีใจครองต้นไม้ภูเขาหินทรายกรวดดินน้ำไฟลม มูลนี้นะเรียกว่าเป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเทมันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นสังขารทั้งสองประเภทนี้เมื่อมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแปรปรวนไปในที่สุดก็แตกดับลงเมื่อเรานั่งภาวนาเองเราก็กำหนดพิจารณา ให้เห็นสังขารสองประเภทนี่แหละโดยแจมแจ้งด้วยปัญญาเพราะมันมีเท่านี้จริงๆนะโลกตนิวัตอันนี้นะไอใบุคคลผู้ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญปัญญาพิจารณาหเห็นตามเป็นจริงก็หลงหลงสังขารเหล่านี้เองไม่ใช่อื่นได้บางคนหลงถึงกับต้อง ไ, ไปทำบาปทํากรรมอบางคนก็หลง ไม่ถึงกับได้ทำบาปทำกรรมแต่ว่าหักจิตหักถอนออกจากโลกอันนี้ไปไม่ได้จิตถูกฝูกพันอยู่กับโลกกับสังขารสองประเภทเหล่านี้แหละ ừ, ถอนตัวออกไม่ได้นี่ความเกาะความคล้องของจิตใจเนี่ยมันมีอยู่สองสามขั้นตอนอย่างนี้ให้พากันสันนิษฐานดูให้ดี อาขั้นตอนเบื้องต้นนั่นน่ะจิตนี่ถอนได้แล้วหรือยังนะพิจารณาดูนั่นนะขั้นตอนเบื้องต้นที่ว่าจิตเข้าไปยึดสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองนั่นน่ะเป็นเหตุให้ได้ฆ่าสัตว์ได้รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมกล่ามุสาวาตดื่มสุราเมรัยกันซายาพินเฮโรอีนต่างๆว่านี้นะ เนื้อใจที่เข้าไปยึดสังขารสองประเภทนั่นนะประกอบไปด้วยความหลงความไม่รู้เท่าก็เป็นเหตุให้ได้ไปทําบาปไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้ในใจของเรามีไหมให้คําพิจารณาดูถ้าว่าไม่มีก็เป็นอันว่าไม่ได้หลงในสังขารสองประเภทนั่นในขั้นนั้นอืมวันนี้ ตนได้พิจารณาเห็นอย่างไรละสองทั้งขานสองประเภทนี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็เห็นว่าไม่เที่ยงนั่นแหละทุกคนก็ยอมลงความเห็นเมื่อเมื่อมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลาบากทุกคนก็คงจะเห็นอย่างนี้แหละเมื่อมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลาบากนั้นน่ะมันเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่ตัวตนเพราะว่ามันบังคับไม่ได้ถ้าเป็นตัวตนของตนแล้วต้องบังคับได้จึงถูกต้องก็ถ้าว่าไม่ใช่ตัวตนของตนแล้วควรหรือที่จะมาหลงถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราไม่ควรเลย เ, ออเมื่อเป็นเช่นนี้ก็สมควรที่จะ รู้เท่าตามสภาพความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามเรื่องของมันใจอย่าไปหลงยินดียินร้ายอย่าไปเสียใจดีใจกับสังขารทั้งพวงเหล่านั้นสังขารหนึ่งพวงเหล่านั้นมันแปลปวนไปอย่างไรทั้งภายในและภายนอกก็อย่าไปเสียใจเศร้าโศกกับมันนั่นแหละถ้าสังขารทั้งพวงเหล่านั้น มันจเจริญงอกงามขึ้นมาก็อย่าเพลิดเพลินอย่าหลงละเลงไปตามเพราะว่าถึงแม้มันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมันก็ตั้งอยู่ไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อหมดเหตุปัจจัยมันชวนจะหมดแล้วมันก็ทุดโทรมลงไปเหมือนอย่างร่างกายนี่แหละเมื่อบุญกุศลมันล่อยหลอลงไปแล้วร่างกายนี่มันก็สํารุดทุดโทรมไป ความชลาภาพก็ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้นะนั่นแหละการที่ร่างกายนี่มันทรุดโทรมลงไปโรคภัยเบียดเบียนบ้างความแก่ครอบงามบ้างโมนี่นั่นที่บอกแล้วว่าบุญมันใกล้จะหมดแล้วบุญที่ ร, รักษาร่างกายอันนี้อยู่นะมันน้อยลงไปแล้วเตือนตนเข้าไปอย่าประมาทบุญมันใกล้จะหมดแล้ว เมื่ออยู่นานวันนานเดือนไปนานปีไปบุญกุศลอ น, นั้นมันก็ร่อยหลอไปโดยลําดับร่างกายนี้ก็ทุดโทรมไปเรื่อยๆผู้ไม่ประมาทเจริญภาวนาอยู่เสมอแล้วก็ย่อมตามรู้ตามเห็นสังขารร่างกายทุกส่วนทั้งภายนอกภายในทั้งงาบทั้งละเอียดอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปตามรู้ตามเห็น ตามความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่หลงมันหมายความว่าอย่างนั้นอืมเมื่อไม่หลงมันแล้วมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรอจิตใจมันก็ตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลตั้งมั่นต่อความจริงเราเอาความรู้จริงนั่นแหละเป็นเครื่องอยู่แบบนี้นะเมื่อมันรู้จริงมันจริงใจแล้วใจมันก็ไม่หวั่นไหว ถ้ามันไม่รู้จริงอ่ะมันไม่จริงใจแล้วมันก็วันไว้แหละจิตดวงนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองตอบตัวเองสอนตัวเองให้มันจริงใจลงไปจริงๆอย่างนั้นถามตัวเองว่าจริงหรือยังอ่ะเรื่องอย่างนี้นะแล้วตนจะตอบตนว่ายัางไรอะ่ะถ้าตอบลงว่าจริงเมื่อมันเห็นจริงเห็นแจ้งมันก็ตอบตัวเองได้ว่ามันจริง เมื่อจริงอย่างนี้ก็ไม่สงสัยแล้วนั่นไม่สงสัยในเรื่องความตายความพลัดผ้าจากกันและ ก, กันในโลกสนิวาตอันนี้เราภาวนาเห็นอยู่ทุกคืนทุกวันนะมันก็ไม่เกาะไม่คล้องแม้เราจะอยู่ร่วมกันไปตลอดไปอย่างไร ก, ก็เท่ากันกับว่าตัวอยู่คนเดียว เพราะว่าจิตใจตนไม่คล่องอยู่กับคนอื่นและสิ่งอื่นนี่ต้องทำตนให้เป็นคนผู้เดียวอย่างนี้มันจึงจะพ้นจากทุกข์ภายในสงสารอันนี้ไปได้เราทำจิตใจให้เป็นดวงเดียวแต่มีบุญมีกุศลมีคุณพ ร, รัตนาไกลเป็นที่พึ่งอยู่มันก็ไม่ว่าเวใจัะ เออนั่นแหละเวลาจะตายก็ไม่ว่าวีเพราะเรามีที่พึ่งอยู่แล้วอย่างงี้นะคนไม่มีที่พึ่งอยู่ในใจแล้วเวลาชวนจะตายนี่มันว่าเวใจัะเดือดร้อนแล้วเออคล้ายๆกันกับว่าจวนจะตกลงไปในเหวอย่างนี้นะ